หนแนวทางการปฏิบัติธรรมหการปฏิบัติคือการมีสติรู้กายรู้ใจตรงตามความเป็นจริงลงเป็นปัจจุบันวงเล็บเปิดรู้อย่างเดียวไม่ต้องทําอะไรวงเล็บปิดถ้าฝึกดูจิตให้เริ่มจากการตามรู้จิตด้วยการฝึกจําสภาวะวงเล็บเปิดเช่นความโกรธความโลภความฟุ้งซ่านความโหดหู่ความหลงวงเล็บปิดให้ได้แม่นและจํานวนมากเท่าที่จะทําได้ 2. การดูจิตจะต้องตามรู้จิตหลังจากที่มีอารมณ์เกิดขึ้นทันทีเพราะถ้าไม่รู้ทันจิตจิตจะทำงานในวงเล็บจิตจะสร้างภพความทุกข์จะเกิดถ้าฝึกดูกายหากตามรู้กายจะเกิดสติแต่ถ้ารู้กายลงปัจจุบันจะเกิดปัญญาสาก่อนการดูจิตก็ไม่ต้องตั้งท่าคอยจ้องดู ระหว่างดูก็ระลึกรู้ลงไปตรงๆหลังจากจำสภาวะนั้นได้พอรู้แล้วก็สักแต่ว่ารู้สภาวะนั้นๆนไม่ต้องไปดัดแปลงแก้ไขจิตอีก 4. ถ้าจิตจาสภาวะได้แม่นเมื่อสภาวะนั้นๆเกิดขึ้นสติจะเกิดขึ้นมาเองเมื่อสติเกิดขึ้นอกุศลจิตจะต้องดับไปและจะมีความรู้เนื้อรู้ตัวและความสุขอ่อนๆโชยขึ้นมา ทำให้มีฉันทะในการตามดูต่อไป 5. การดูจิตเป็นการเรียนแบบสุ่มตัวอย่างไม่ต้องดูจิตทั้งหมดให้แยกเอาส่วนเล็กๆของจิตมาคอยตามรู้ตามดูโดยอาจจะเอาสภาวะเพียงคู่เดียวมาดูก็ได้เช่นสภาวะของจิตที่มีราคะขีดไม่มีราคะโกรธขีดไม่โกรธหลงขีดไม่หลงฟุ้งซ่านขีดหดหู เมื่อตามดูไปจะเห็นความจริงว่ามันเปลี่ยนแปลงไปบังคับไม่ได้ไม่ใช่ตัวเราหกการภาวนาคือการแผดเผากิเลสให้ใจเราเย็นมีแต่ความสุขและอุเบกขาโดยต้องรู้กายรู้ใจอย่างเป็นวิหารธรรมคือมีบ้านให้จิตอยู่ไม่ใช่เอาจิตไปติดคุกจนอึดอัดหาความสุขไม่ได้เมื่อภาวนาไปจนจิตปล่อยวางกายใจได้เพราะมีปัญญาเห็นกายใจตามเป็นจริงว่า มีแต่สภาวะธรรมไม่มีเราเรียกว่าวิมุตติเกิดสันติสุขอย่างแท้จริงไม่พึ่งพาสิ่งอื่นภายนอก